อย่าได้ทำตัวให้เลวไหลไปอย่างนั้นพยายามพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันมีสติขึ้นมาเบื้องต้นพัฒนาให้มันมีสติต่อไปก็พัฒนาให้มันเกิดปัญญ า, าการจะพัฒนาให้มันมีสติขึ้นมาเนี่ยก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติทำแล้ยากเหลือเกินหลวงพ่อไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยเราเรียนจากครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์สอนง่ายๆ